เอริยศาสตร์หอริยศาสตร์เป็นธรรมะที่ทุกคนต้องเรียนถ้าผู้ใดไม่รู้แจ้งไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้อริยศาสตร์เริ่มต้นจากทุกข์คือกายและใจของเราในวงเล็บขันถ้าไม่รู้ว่ากายและใจนี้คือทุกข์ล้วนๆก็จะเห็นว่ากายใจยังมีทางเลือกก็จะดิ้นรนอยากให้มีความสุขในวงเล็บเกิดสมุทยัยเมื่อเกิดความอยากก็สร้างภพในวงเล็บ การทํางานทางใจเมื่อจิตยังปรุงแต่งนิโรธก็ไม่เกิดเพราะนิโรธในวงเล็บนิพพานคือสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งถ้าเมื่อใดเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆจนเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้าเห็นชัดว่าจิตเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจนใจยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธความทุกข์ จิตก็จะสลัดความยึดถือกายยึดถือใจหมดความอยากหมดความดิ้นรนก็หยุดสร้างพบพบในใจก็ขาดก็ไม่มีสมุทยัยจึงสามารถละสมุทัยได้เห็นนิโรธต่อหน้าต่อตาดังนั้นเมื่อใดรู้ทุกก็ละสมุทยัยแจ้งนิโรธก็เป็นการเจริญมรรคผู้ใดเข้าใจอริยสัจจึงจะข้ามภพข้ามชาติได้อริยสัจเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเช่นในวงเล็บ ทุกข์ขัดขันห้าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าไม่รู้ทุกข์คนทั่วไปจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าอยากแล้วไม่สมอยากจึงเป็นทุกข์ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขผู้ปฏิบัติเห็นว่ามีความอยากวงเล็บเปิดมีตัณหาขีดเป็นสมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์วงเล็บปิดจึงจะมีความทุกข์แต่ถ้ารู้ธรรมะจะเห็นว่า จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากขันนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนนิโรธก็ไม่ใช่ความดับทุกข์เหมือนไฟไหม้แล้วหมดเชื้อเพลิงไฟก็ดับแต่เป็นความพ้นทุกข์เพราะจิตไม่ยึดถือขันขันจะแปรปรวนอย่างไรจิตก็ไม่ทุกข์ด้วยเมื่อพระอรหันต์นิพพานนิโรธก็คือความไม่เกิดขึ้นอีกของทุกข์มักมีองค์8ปดวเล็บเปิดมักมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบ8วงเล็บปิด เมื่อจเจริญสติปัฏฐานจนมีสัมมาสติรู้กายรู้ใจก็จะมีองค์มรรคครบทั้ง8เพราะเวลามีสติอกุศลจะไม่เกิดกุศลก็จะเกิดถี่ๆบ่อยขึ้น 3. เพราะมีสมุไทยจึงเกิดทุกขเพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมุไทยทุกขกับสมุไทยจึงอาศัยซึ่งกันและกันวัตตก็หมุนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะมีสมุไทยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมุไทยนี่คือวัตตะ ส่วนวิวัตตะคือทางที่จะออกจากการเวียนไหวาตายเกิดได้แก่เพราะรู้ทุกแจ่มแจ้งจึงละสมุทัยได้เพราะสมุทัยดับไม่เหลือนิโรธถึงแจ้งสังสารวัตรขาดลงตรงนี้อยู่ที่รู้ทุกแจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งจิตนั่นแหละตัวทุกจิตอยู่ในขันตัวขันสุดท้ายที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นแหละสี่ อริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าท่านไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ท, ท่านไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่มีวนรอบสามจำนวนสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรควนรอบสามคือตัวสภาวะของมันเองอันแรกคือทุกข์เป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรอันที่สองคือ กิจต่อทุกเป็นอย่างไรกิจต่อสมุทไทยเป็นอย่างไรกิจต่อนิโรธเป็นอย่างไรกิจต่อมรรคเป็นอย่างไรอันที่สาท่านได้ทำกิจทั้งสี่นี้เสร็จแล้วเรียกว่ามีครบส2องท่านจึงปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้ใดไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนไหวตายเกิดไม่พ้นจากสังสารวัฏหคนใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะและรู้แจ้งในอริยสัจ จะพ้นจากทุกทั้งปวงการที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นสาระก็ทำให้เรามีโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้อริยสัจดังนั้นตัวสำคัญมากเลยคือได้เรียนรู้อริยสัจมันพ้นจากทุกทั้งปวงวันใดเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราจะรู้เลยว่าความทุกข์ไม่มาแล้วต่างคนต่างอยู่